ซึ่งเป็นนักว่ายน้ำมาราธอนเธอก็มีความใฝ่ฝันนะว่าจะว่านยะข้ามทะเลเระยะทาง160กิโลเมตรจากคิวบาไปฟลอริดาซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเพราะว่าการว่ายเนี่ยมันต้องว่ายแบบนอนสต็อปไม่หยุดห้ามพักห้ามขึ้นเรือ แล้วก็ไหวตั้งแต่เช้าจดคำ่ำบางคืนก็ต้องไหวไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยก็50กว่าชั่วโมงอันตรายก็รอบตัวทั้งปลาฉลามแมงกะพุนไฟแต่สุดท้ายเธอก็ทำให้สำเร็จนะตอนนั้นก็อยุ่28 แต่มันก็เป็นสิ่งที่ค้างคาใจเธอมาตลอดจนกระทั่งอายุ60ในความใฝ่ฝันนั้นมันก็กลับมาใหม่แล้วก็เธอเพยายามอย่างยิ่งนะในการที่จะทำความฝันให้สำเร็จทั้งที่ร่างกายนี้ก็เรียกว่าเสื่อมตามวัยแล้วไม่เหมือนตอนอายุ28 ใช้เวลาฟิตซอมเป็นปีและกว่าจะทำสำเร็จก็ใช้เวลาหลายปีนะล้มเหลวเนี่ยสามครั้งว่ายไปแล้วสามสิบชั่วโมงก็โดนคลื่นซัดนะออกนอกเส้นทางไม่มีวันสำเร็จก็ยังว่ายต่อ เดี่ยวเชนนั้นก็เจอแมงกะพุนซึ่งมีพิษมากถึงตายได้ก็ต้องเลิกแต่สุดท้ายก็ทำสำเร็จตออายุหกสิบสี่ซึ่งวขนาดนี้ทราบหลายคนว่ายน้ำแค่หนึ่งกิโลนี่ก็คงจะไม่ไหวละ แต่เธอว่ายถึง160กิโลใช้เวลาถึง53ชั่วโมงคือสองวันนะกับอีกห้าชั่วโมงซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าน่าอัศจรรย์มากว่าอย่าว่าแต่คนแก่เลยนะคนหนุ่มคนสาวก็ทำได้ยาก มันก็น่าคิดนะว่าอะไรที่ทำให้เธอเนี่ยยอมทุ่มเทเรียกว่าแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างเลยละชิ้นความสะดวกสบายในวัยหลังเกษียณต้องไปเจอความยากลำบากซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตแค่โดนแดดเผาขณะที่ ว่าอยู่กลางทะเลเนี่ยสองวันเต็มเต็มนี่มันก็แย่แล้วแถมไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีกอีกสองคืนเสี่ยงมากที่จะวิกลตจลิตไปเลยอะไรที่ทำให้เป็นทให้เธอทำสิ่งที่ทำได้ยากก็จะเป็นเพราะว่าเธอมองว่าเนี่ยทะเลที่ขวางกั้นเธอระหว่าง คิวบากับฟอร์ดาเนี่ยมันคือสิ่งที่จะต้องพิชิตให้ได้ความประสบมาเป็นสิ่งท้าทายความสามารถและเชื่อมั่นว่าตัวเองจะทำได้หรือเป็นเพราะว่าต้องการชื่อเสียงต้องการเป็นต้องการถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่านเนี่ยทำสิ่งที่ไม่เคยมีใคร ทำได้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นพราะต้องการพิชิตต้องการประสบความสำเร็จหรือว่าต้องการชื่อเสียงต้องการการยกย่องสรรเสริญหรือต้องการพิสูจน์ความสามารถว่าเนี่ยฉันเก่ง ฉันไม่มีใครไม่มีใครที่จะทําได้อย่างฉันเนี่ยอันนี้เรียกรวมๆก็คือแรงจูงใจที่เป็นตัวอัตตาการต้องการมีชื่อเสียงการต้องการคนยอมรับการต้องการพิชิตสิ่งที่ไม่เคยมีใครพิชิตมาก่อน อันนี้จะว่าไนก็เป็นเรื่องของอัตตานถ้าจะเรียกอย่างนั้นก็คือเป็นเรื่องของภาวะตัณหาอยากเป็นอยากเป็นผู้ชนะอยากเป็นผู้พิชิตแล้กระทั่งการอยากทำตามความฝ่ฝันให้สำเร็จไม่อยากเป็นผู้พ่ายแพ้อยากเป็นผู้ชนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัตตาทั้งนั้นแหละ ซึ่งในแง่นิมนก็ชี้เห็นนะว่าเนี่ยอัตตาเนี่ยหรือรว่าภาะตัณหานี่ก็เป็นแรงจูงใจหรือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ที่รุนแรงมากนะมันสามารถจะทําให้คนคนหนึ่งนี่ยอมทุ่มเททุกอย่างพร้อมจะเสี่ยงตายเพื่อที่จะทําความใฝ่ฝันให้สําเร็จหรือเพื่อที่จะบรรลุถึงชื่อเสียง มันเป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ยอัตตาเนี่ยหรือว่าภวัตัณหานี่มันก็มีพลังไม่น้อยเลยทีเดียวที่สามารถทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยทำสิ่งที่ทำได้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จได้ซึ่งก็มีตัวอย่างทำนองนี้เยอะนะก็เลยมีการพูดว่าเนี่ย ใช่ทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยมันต้องมีนะอัตตาต้องมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือบางทีก็พูดให้สวยนะคือมีความเชื่อมั่นในตนเองหรือว่ามีความมุ่งมั่นที่จะให้ตนเองเนี่ยนะเป็นที่ยอมรับมันถึงจะทำสำเร็จไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มี แรงผลักดันหรือแรงจูงใจแบบนี้เนี่ยมันก็ยากที่คนเราเนี่ยจะทาสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้มันก็ดูมีเหตุผลนะแต่มันก็ไม่ได้ไหมายความว่าแรงจูงใจอย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่มีพลังแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งนะที่มันมีพลังก็คือการที่เรานึกถึงผู้อื่น อันนี้มันแตกต่างหรือถ้าตรงข้ากวก็แรงจูงใจอย่างแรกนะแรงจูงใจอย่างแรกเนี่ยหรือเรื่องอัตตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวก็ได้นึกถึงตัวเองอยากให้ตัวเองเด่นดังอยากให้ตัวเองเป็นผู้พิชิตแต่ว่าแรงจูงใจอย่างในการนึกถึงผู้อื่นเนี่ยมันก็มีพลังเหมือนกันนะอย่างตัวอย่างที่เล่าเมื่อวานเนี่ยนักบินที่เขา เกิดอุบัิเหตุ เ, เครื่องบินตกอยู่ที่เทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้และเขาก็พยายามที่จะเอาตัวรอดฝ่าหิมะสมวันสามคืนแต่สุดท้ายาไปไม่ไหวเกือบจะยอมแพ้อยู่แล้วแต่ว่ามา น, นึกได้ว่าเนี่ยถ้าตัวเองตายท่ามกลาง ก, ากองหิมะ ลูกเมียจะลำบากเพราะว่าหาศพไม่เจอก็จะทำให้ศาลเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้จนกว่าจะรอให้ผ่านไป4ปีและศาลถึงจะตัดสินว่าเป็นบุคคลสูญหายถึงตอนนั้นบริษัทประกันถึงจะจ่ายเงินประกันชีวิตให้กับลูกเมียได้ ด้วยความเป็นห่วงว่าเนียลูกเมียต้องลำบากนะไม่มีเงินใช้เนี่ยปีกว่าบริษัทประกันจะจ่ายเงินเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยนะ ล, ลงกำลังครั้งสุดท้ายเนี่ยพาตัวเองไปยังก้อนหินซึ่งอยู่ห่างประมาณร0 0เมตรแล้วตั้งใจว่าจะไปนอนตายบนหินก้อนนั้น เพื่อว่าเมื่อมีคนมาตามหาศพเขาก็จะเจอบริษัทประกันก็จะได้ไม่มีเหตุผลข้ออ้างที่จะไม่จ่ายเงินหรือรังรอการจ่ายเงินให้กับลูกเมียแต่พอนึกถึงลูกเมียเนี่ยแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ทําให้เขามีเร่็วแรงเดินกระเสือกกระสนต่อไปอีกร้อยเมตรเท่านั้นนะ แึงสามารถทำให้เขาเดินต่อไปได้อถึง90กิโลเมตรระยะทางจากกรุงเทพเกือบถึงสระ บ, บุรีเลยทางที่เป็นเส้นทางที่เต็มไปมด้วยหิมะแล้วก็เลยมีคนช่วยชีวิตเขาได้มอเนียนี่คือเขามีแรงจูงใจหรือแรงผลักดันจากอาการนึกถึงผู้อื่นนะนึกถึงเมียนึกถึงลูก ไม่เด้นนึกถึงตัวเองเลยเพราะถ้านึกถึงตัวเองนี้ก็คงจะหมดแรงไปแล้วอาจจะตายทมกลางกองขิมะแตจะพอนึกถึงลูกนึกถึงเมียเนี่ยมันทำให้มีเรี่ยวแรงในการที่จะพาตัวเนี่ยเดินต่อไปสุดท้ายก็รอดชีวิตมาได้ก็เป็นปฏิหารเหมือนกันนะ สามารถที่จะทำสิ่งที่ทำได้ยากนะเดินฝ่าเดินลุยหิมะไปเก้าสิกิโลเมตรทั้ง ท, งที่เรียกว่าหมดเรี่ยวหมดแรงไปแล้วแต่ว่าแรงที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่นึกถึงผู้อื่ น, น, นการนึกถึงผู้อื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไร้น้ายานะมันก็มีพลังกันนะ ที่ทำให้คนเราสามารถทำสิ่งที่ทำได้ยากได้หรือแม้กระทั่งยอมตายเนี่ยเพราะนึกถึงผู้อื่นอย่างเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันมีนักพิทยายศาสตร์คนหนึ่งนะชาวรัเสเซียชื่อว่าเวลอฟเนี่ยแกเป็นนักพิทยายศาสตร์ที่สนใจเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืช ต้องการที่จะปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดต่างๆโดยเพาะข้าหวหรือธัญพืชเ น, นี่ยเพื่อให้คนเนี่ยได้มีอาหารไม่ใช่เฉพาะคนรัสเซียแต่เป็นคนทั้งโลกเลยได้มีอาหารทั่วถึงแล้วก็พยายามที่จะไปสำรวจแล้วก็เก็บพันธุ์พืชต่างๆจากประเทศต่างๆ นะเรียกว่าทั่วทวีปยุโรปเลยซึ่งก็เรียกว่าต้องเหนื่อยยากลำบากนะแต่มันจำเป็นเพราะว่า 1, พันธุ์พืชพื้นบ้าน 1, พันธุ์พืชพื้นเมืองพวกนี้ถ้าไม่เก็บเอาไว้ไม่อนุรักษ์ไว้มันก็จะสูญหายสูญพันธุ์และทำให้สูญเสียทรัพยากรล้ำค่าที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง 1, พันธุ์พืชสาหรับพลโลกนะในวันข้างหน้า เขาก็อุตสาหะมากในการเก็บพันธุ์พืชไม่ใช่แต่เพอธัญญพืชอย่างเดียวแต่รวมทั้งผลไมช้ชนิดอื่นๆด้วยตอนหลังก็มีลูกน้องมาช่วยมีลูกศิษย์มาช่วยเก็บเก็บได้ถึงสองแสนห้าพันตัวอย่างเลยนะเฉพาะธัญญพืชหรือข้าวนี้ก็แสนห้าแสนห้าแสนห้าหมื่นชนิดแล้วที่เก็บมาเนี่ยเขาก็มา สะสมไว้ในคลังซึ่งตอนหลังก็กลายเป็นธนาคารพันธุ์พืชแห่งแรกของโลกอยู่ที่เมืองเลนินกราดในรัเสเซียตอนนั้นคนไม่ค่อยสนใจหรอกนะเรื่องการเก็บพันธุ์พืชแต่ว่าวิลลอปนี่กับลูกศิษย์นี่เขาเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าเกิดโชคร้ายนะสงครามโลกที่2เนี่ยรัเสเซียเนี่ยมา ไอ้เ ย, เยอรมันเนี่ยมาร้อมมาบุกรักเสเซียแล้วก็มาล้อมเมืองเลนินกราดเอาไว้ล้อมนานถึง900วันนะ0วันเนี่ยปรากฏว่าคนรัเสเซียนี่ล้มตายกันมากไม่ใช่เพราะระเบิดเพราะปืนหรือเพราะภัยสงครามนะแต่ละแต่ตายเพราะขาดอาหาร ถูกล้อมเนี่ยแล้วน่านหนาวของรัเสเซียมันโหดมากนะไม่มีอะไรกินอาหารที่ส่งมาจากนอกเมืองนี้ก็มาได้แบบกระพองกระแพ่งเพราะว่าเยอรมันล้อมเอาไว้อย่างแน่นหนาแล้วไม่ได้ล้อมแค่เดือนสองเดือนล้อมถึงสองเกือบสามปีได้คนไม่มีอะไรจะกินนะ สุดท้ายก็เอารองเท้ามั่งเอาเข็มขัดนึงมาต้มกินตอนหลังก็ไม่มีอะไรแล้วก็เอาเนื้อคนเนี่ยมากินท่านเจะาคนเขรู้นะว่าเนี่ยธนาคารของวาวิลอฟเนี่ยมันมีเมล็ดพันอยู่คนก็ต้องแห่ไปไปเอาเมล็ดพันนั้นมา แต่ว่าบริษัทลูกน้องของหรือลูกศิษย์ของวอริรอบนี่แกก็พยายามรักษาป้องกันพันธุ์พืชนั้นอย่างเหนียวแน่นตัวเองก็ไม่มีอาหารจะกินนะแต่ก็ไม่ยอมแตกต้องพันธุ์พืชหรือว่าเมล็ดข้าวที่เก็บสะสมไว้เลอทั้งที่มันมีเป็นหลายร้อยกิโลแล้วสุดท้ายเนี่ย หลายคนก็ตายนะตายเพราะขาดอาหารแต่ไม่ได้แต่ต้องข้าวเมล็ดข้าวที่ตัวเองเนี่ยปกป้องรักษาไว้เลยทำไมถึงยอมตายเนี่ยทั้งที่ถ้าเอาข้าวเหล่านั้นมากินเนี่ยตัวเองก็มีชีวิตยอยู่ก็เพราะว่าเขานึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษยชาติในวันข้างหน้า ถ้าเอามเมล็ดข้าวนะั้นมากินเพื่อประทังชีวิตตัวเองอยู่รอดนะแต่ว่าโลกก็จะสูญทรัพยากรที่ล้ำค่าโอ้คน้นฒิใจสูงส่งมากนะตัวเองเนี่ยไม่มีจะกินนะแต่ว่าก็ไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมแตะต้องมเมล็ดข้าวหรือทันหรือพันธุ์พืชต่างๆที่ตัวเองนะรักษาเอาไว้ บางคนก็ตายนะตายขาโต้ทั้งที่บนโต๊ะนี่ก็มีนะมเมล็ดพืชหรือมเมล็ดข้าวเนี่ยเป็นกระสอบกระสอบเป็นถุงเนี่ยอยู่รอบตัวอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเขาไม่ได้นึกถึงผู้อื่นนะไม่ึงไม่ได้นึกถึงประโยชน์ ที่จะเกิดกับมนุษยชาติหรือไม่ได้นึกถึงประโยชน์ในทางวิชาการนะเขาคิดในตัวเองเนี่ยก็คงจะไม่ปล่อยให้เมล็ดพันธุ์พวกนี้เนี่ยลงเลยแล้วก็คงจะเอามาต้มกินนะแม้แต่กินเปล่าๆก็ยังได้พอขนาดเปลือกไม้หรือเนื้อคนเนี่ยที่ตายนี่คนก็ยังแย่งกันกินเลยเพอคนเราเวลาหิวเนี่ย มันพร้อมจะทำอะไรก็ได้นะแม้กระทั่งฆ่าคนที่รู้จักเพื่อเอาเนื้อเข้ามากินอันนี้เกิดขึ้นในเรนินกราดนะแต่ว่าลูกศิษย์ของวาวลลอบนี่ไม่มีใครทำอย่างนั้นเลยอันนี้เพราะอะไรนะเพราะการที่นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษยชาติก็ทำให้ยอมตายได้ ตัวตายไม่ว่านะแต่ขอให้มเมล็ดพันธ์เหล่านี้นะมัน ย, ยังอยู่เพราะมันจะมีประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังในวันข้างหน้าอันนี้มันก็ชื่อเห็นนะว่าการนึกถึงผู้อื่นเนี่ยมันก็มีพลังที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะที่ทาให้คนยอมตายได้ไม่ใช่ว่าคนเราจะยอมตายเพื่อชื่อเสียงเพื่อความเด่นดังของตัวเองเท่านั้น แต่ที่ยอมตายเพื่อมนุษยชาตินี่มันก็มีอยู่ไม่น้อยแล้วมันก็เป็นพลังที่สำคัญด้วยจริงๆเนี่ยนอกจากการนึกถึงมนุษยชาแล้วเนี่ยอีสิ่งหนึ่งที่เป็นพลังหรือแรงจูงใจที่สำคัญนะก็คือธรรมะนะอย่างเช่นชาวพูดเนี่ยเราก็ ให้ความสำคัญอย่างมากนะกับการอุทิศตนเพื่อธรรมะโดยเพรา ะ, ะธรรมะที่สูงสุดคือพนานิพานนั่นก็เป็นแรงจูงใจในะที่ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเนี่ยนะเรียว่าพร้อมจะตายได้เพื่อพนานิพาน อย่าผู้จใจตอนที่เป็นเจ้าชายศิทัตถะหรือยังเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์นี่ที่ท่านบำเพ็ญทุกทุกรกรรคิริยาทรมานตนอย่างแสนสาหาันนี่ก็เพื่ออะไรนะนนก็เพื่อนิพพานเพื่อความหลุดพ้นเราไม่ได้หลุดพ้นเพื่อตัวเองเท่านั้นนะแต่หลุดพ้นเพื่อประโยชน์ของสัตว์โลกด้วยหรือประโยชน์ของมนุษยชาติด้วยแต่ตอหลังเนี่ยพวกรู้ว่าเนี่ยทุกบํากำเพณทุก กระกิริยาหรืออัตตกิลมัฐานุโยงเนี่ยมันไม่ใช่ทางก็เลยเลิกแต่แม้กระนั้นเนี่ยการบำเพ็ญเพื่อบรรลุพระสมมติญาณนี้ก็ต้องอาศัยการทุ่มเทนะชนิดเอาชีวิตเข้าแลกกันนะอย่างคือเนี่ยก่อนที่จะตัดสโลเนี่ยพระองเนี่ยตั้งจิตเลยนะอธิษฐานอธิษฐานในนี้คือตั้งจิตว่าเนี่ยแม้เลือดใน แม้เลือดและเนื้อในกายจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังเส้นเอ็นและกระดูกแต่ตาใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมพุทธิญาณก็จะไม่ลุกจากบันหลังตอนนั้นพระองค์ั่งสมาธินะอยู่บนบันหลังที่ทำได้ยากตายตนโพยตอนนั้นเรียกว่าพระองค์นั้งเจริญทิฐานเลยนะคือพร้อมจะพร้อมจะตายได้ ถ้าว่ายังไม่บรรลุปัสสมวะสัมพุทธยานก็จะไม่เลิกละความเพียนและสุดท้ายพรง ก, ก็บรรลุปัสสาวะสัมปทิยานที่จริงก่อนหน้านั้นน่ยนะพระองค์ก็ได้บําเพ็ญเรียกว่าอุทิศตนมาเรียกว่าหลายภพหลายชาติเลยทีเ ด, ยเดียวนะไม่ว่าจะเป็นการบําเพ็ญทานบารมีไม่ใช่แค่สละทรัพย์สินนะแต่ละรวมทังสละอวัยวะ แล้วก็สละชีวิตด้วยเรียกว่าทานปารมาทบรมีแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับภาษาวกมาตลอดนะแม้กระทั่งครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆเนี่ยท่านก็เรียกว่าพร้อมจะตายได้เพื่อผนิพันธ์ทุดงในป่าแม้ว่าจะมีอันตรายมากมายแต่ก็ไม่กลัว ความกลัวก็มีนะแต่ว่าความที่เห็นแก่พระนิพพานเนี่ยก็ทำให้พร้อมที่จ ะ, ะระ ง, งับความกลัวแล้วก็บำเพ็ญเพียรในกาวที่ตนเนี่ยเพื่อพระนิพพานก็เป็นแรงจูงใจหรือแรงผลักดันให้กับคนเราในการทำสิ่งที่ยากแม้กระทั่งสลาชีวิตได้แต่ว่า ตัวอย่างอันนี้ก็มีน้อยนะถ้าจะว่าเป็น้วเนี่ยพูดถึงความเพียรแล้วเนี่ยนะเราจะพบว่าคนที่ทำความเพียรเนี่ยเพื่อตัวเองเนี่ ย, ยมีเยอะนะอย่างนักกีฬาที่เขาต้องการเหรียญทองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักว่ายน้ำนักยิมนาสติกนักวิ่งเนี่ยโอ้โหเขาทุ่มเท ชีวิตเนี่ยเพื่อสิ่งนี้เนี่ยอย่างน่ายกย่องมากเลยนะบางคนเนี่ยฝึกตั้งแต่เล็กอย่างนั ก, กนยิมนักติกเนี่ยฝึกตั้งแต่ยุ่ห้าวขัวคนที่เป็นนักว่ายน้ำนี่ฝึกว่ายน้ำนี่วันละสิบชั่วโมงถ้าทำนี้เป็นปีๆด้วยความเพียรเขานี่น่ายกย่องนะถึงแม้ว่า สิ่งที่ข้อมูลหมายเนี่ยถ้ามอญในแง่ของพุดนะมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะคือเหรียญทองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญของชีวิตเท่าไหร่เลยไม่ได้ช่วยทําให้พ้นทุกข์ไม่ได้เป็นรับการอย่างความสุขอย่างแท้จริงนั้นถ้ามอญใแบบพุทเนี่ยมันไม่มีสาระได้มันไม่มีสาระเท่ากับธรรมะ แต่คนเหล่านี้ก็ทุ่มเทมากนะชนีดที่ว่านักปฏิบัติธรรมจำนนมากนีก้เรียกว่ายอมแพ้เลยเพราะว่าแค่ปฏิบัติธรรมวันละหกข้อหชั่วโมงหลายคนก็บน่นละแต่ว่านักกีฬาเหรียญทองพวกนี้นี่นักกีฬาที่มุ่งเหรียญทองพวกนี้เขก็อุทิศตัวจริงจังมากซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาเขาเป็นครูนะเอาเขาเป็นครูเนี่ย ว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่เขามุ่งหวังเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยเป็นสาระเท่าไหร่ห่างไกลจากธรรมะหรือห่างไกลจากพนันิชภานเยอะแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือความเพียรเนี่ยอันนี้น่ายกยองมากถ้าผู้ฝ่ายทำหรือผู้ปฏิบัติทำเนี่ยมีความเพียรประมาณแค่ครึ่งหนึ่งของเขานี่ก็เก่งแล้วนะราะนั้นเนี่ยมอญง่งยนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าชาวพุทธเราเนี่ยเราจะมีจุดมุ่งหมายที่ดูสูงส่งดูประเสริฐนะแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้จากคนเหล่านี้นักกีฬาเหล่านี้รวมทั้งนักว่ายน้ำมาราธอนที่กล่าวถึงตอนต้นเนี่ยว่าอเ้เขาสาทุ่มเทยอย่างไงถ้าเราความทุ่มเทยอย่างเขาเนี่ยของเขาเนี่ยนะมาสักครึ่งหนึ่งเนี่ย มาใช้การทำความเพียร น, นะเพื่อเข้าถึงธรรมเนี่ยเมื่อเราจะก้าวหน้าไปเยอะเลยเพราะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เขาก็เป็นแบบอย่างให้กับเราได้นะจริงเนี่ยถึงแม้ว่าสิ่งที่เขามุ่งหวังเนี่ยคือชื่อเสียงเกฤษฤฤษียรติยศหรือว่าเหรียญทองเนี่ยมาจะไม่ได้ช่วยทำให้ มีความทุกข์น้อยลงไม่ได้ช่วยดับทุกข์แล้วก็อาจจะไม่ได้ช่วยทำให้โลกมันดีขึ้นแต่จะว่าไปามันก็เป็นแรงจูงใจหรือเป็นแรงบรนดาญใจให้กับคนนะว่าคนเรานี่สามารถที่จะทำอะไรที่ทำได้ยากได้อันนี้ก็เป็นแรงจูงใจที่มันทำให้คนเนี่ยมีความมีความเพียรแล้วจากความเพียรนั้นมาใช้กับการทำสิ่งที่ มีประโยชน์มีสาระมีคุณค่าเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์มากแต่ก็ได้ละนะไอ้การที่เราเอาอัตตาเป็นที่ตั้งเป็นจุดหรือว่าเป็นแรงจูงใจเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่าพวกที่ก่อสงครามขยายดินแดนขยายอาณาเขตเนี่ยที่สร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับผู้คนเนี่ยพวกนี้ก็ทาเพื่อตัวเองนั่นแหละถึงแม้ว่าจะมีแรงจูงใจอย่างอื่นประกอบด้วยแต่ว่าการที่เอา อัตตนีเน่เป็นแรงจูงใจเนี่ยข้อดีมันก็มีนะมันทําให้คนเนี่ยสามารถทําสิ่งที่ทําได้ยากได้แต่ถ้าหากว่าใช้ในทางที่ผิดนี่มันก็ก่อความวุ่นวายก่อความเดือดร้อนก่อให้ยนายกับมนุษย์ได้อย่างที่เกิดขึ้นมาตลอดประวัติศาสตร์มันจะดีกว่าถ้าว่าเรามีจุดมุ่งหมายในทางธรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วก็เพื่อความพ้นทุก อันนี้เราเพื่อประโยชน์ท่านแล้วก็ประโยชน์ตนไปพร้อมๆกันแต่ถึงแม้จะมุ่งหวังในสิ่งที่ดีงามนะแต่ถ้าขาดความเพียรนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นถ้าเราเอาความเพียรของคนเหล่านั้นเนี่ยเอามาใช้เป็นแรงจูงใจกับเราเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้อะทที่เรามุ่งหวังเนี่ยมันสามารถจะเกิดผลเป็นจริงได้นี่คือสิ่งที่เราเนะี่ยสามารถเจริญรู้นะจาก คนเหล่านี้ได้